ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ให้พิจารณาทุกขเวทนาโดยความเป็นเหมือนอย่างลูกสอนให้พิจารณาอทุกขมสุขเวทนา โดยความเป็นของไม่เที่ยงและได้ตรัสไว้ว่าภูพิจารณากําหนดเห็นเวทนาดังกล่าวชื่อว่าเป็นอริยะคือภูประเสริฐเป็นภูเห็นชอบ ตัดทันหาได้เรื่องสัญญอกิเลตที่ผูกใจได้ทำทุกให้สิ้นสุดได้เพราะตัดมานะได้โดยชอบอันหนึ่ง ในสติปัฏฐานข้อที่ตรัสสอนให้พิจารณาเวทนาอันเรียกว่าเวทนานุปสรนาสติปัฏฐานก็ได้ตรัสสอนให้ทมสติกำหนดระลึกโล ในเวทนาเมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าเราสวยสุขเวทนาเมื่อสวยทุกขเวทนาก็รู้ว่าเราสวยทุกขเวทนาเมื่อสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ว่าเราสวยอทุกข์มสุขเวทนาเมื่อสวยเวทนาเหล่านี้ที่มีอมิตรก็รู้ว่าเราสวยเวทนาเหล่านี้ที่มีอมิตรเมื่อสวยเวทนาเหล่านี้ที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ว่าเราสวยเวทนาเหล่านี้ที่ไม่มีอมิตรดังนี้เวทนานั้นเป็นขันธ์ที่สามเป็นขันธ์ที่สองในขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาเป็นขันธ์ที่สองและนับเป็นข้อตนของนามธรรมาหมายถึงความรู้เป็นสุขความรู้เป็นทุกข หรือความรู้เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจที่ทุกๆคนมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวจำแนกออกไปเป็นเวทนาทางกายทางใจด้วย ก็ได้เวทนา5าคือกายิกะสุขเวทนากับเจตติกะสุขเวทนาสุขเวทนาทางกาย ทุกขเวทนาทางใจกายิกะทุกขเวทนาเจติกะทุกขเวทนาก็คือทุกขเวทนาทางกายทางใจกับอุเบกขาเวทนาเวทนาที่เป็นกลางกลางไม่ทุกขไม่สุขทั้งทางกายทั้งทา ง, ทา ง, ทางใจ ในเวทนานุปัสนาสติปฐานได้ตรัสเวทนาไว้เป็นสามตอนตอนแรกตรัสให้ทาสติกำหนดู้สุขทุกข์และอทุก ข, ขมาสุขเวทนา เป็นกลางๆตอนที่สองตัดให้ทำสติกกาหนดรู้จักว่าถ้าเป็นสามิตรคือมีอมิตรก็ให้รู้ว่าเป็นสามิตรคือมีอมิตรตอนที่สก็ตรัสสอนให้ทำสติกกาหนดรู้ว่า ถาเป็นนิรามิตคือไม่มีอมิตก็ให้รู้ว่าเป็นนิรามิตคือไม่มีอมิตสําหรับตอนที่หนึ่งที่ตัดสอนให้ทาสติกาหนดลูลเป็นกลาง ว่าสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนั่นก็พิจารณาได้ว่าหมายถึงเวทนาที่มีลักษณะเป็นเวทนา ยังไม่พูดถึงว่าเป็นสามิตรคือมีอมิตรหรือเป็นนิรามิตรคือไม่มีอามิตรคือเวทนาที่เป็นกลางกลางดังกล่าวนี้ก็ได้แก่เพียงรู้ทก ก็ได้แค่เพียงรู้สุขรู้ทุกข์รู้เป็นกลางไม่ทุกข์อันมันเกิดขึ้นทางกายทางใจที่ทุกๆคนได้รับอยู่โดยที่เวทนาดังกล่าวนี้ ย่อมมังเกิดขึ้นจากความที่อาจรรยภายในและอาจรรยภายนอกของทุกๆคนมาประจบกันจนถึงเป็นสัมผัส ก็คือว่าเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบกันนั้นย่อมเกิดวิญญาณขึ้นก่อนคือความรู้เห็นรูปความรู้ได้ยินเสียงความรู้ทราบ กลินนราบรถสราบโพทัพะและรู้หรือคิดเรื่องรู้เหล่านี้เรียกว่าวิญญาณอันบังเกิดขึ้นในเมื่ออาณาจักภายในและภายนอกมาประจบกัน เมื่ออาจิตนาภายในอาจิตนาภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มาประชุมกันจึงเกิดเวทนาพิจารณาดูแล้ว ก็ย่อมจะเห็นได้ว่าอาการที่อญญาณาจักภายในภายนอกและวิญญาณทั้งสองนี้มาประชุมกันก็หมายถึงว่ามากระทบถึงจิตอย่างแรง ความกระทบถึงจิตยอย่างแรงนี้เรียกว่าสัมผัสหรือเรียกว่าผัสสะที่กลัดอธิบายไว้ว่าคือความที่อายตะณะภายนอกกับวิญญาณทั้งสามนี้มาประจบกัน เป็นสัมผัสที่แปลว่ากระทบถ้าหากว่าเพียงแต่อาจารณะภายในภายนอกมาประจบกันและเกิดวิญญาณคือความรู้เห็นเป็นต้นเท่านั้น ยังไม่มารวมมันเข้าอีกก็ยังไม่เป็นสัมผัสและเมื่อไม่เป็นสัมผัสเวทนาก็ยังไม่เกิดในข้อนี้ยกตัวอย่างเพียงข้อเดียวก่อนคืออาจารณะ ภายในก็ได้แก่ตาอาอยจนะภายนอกก็ได้แกรูปเมื่อตารูปมาประจบกันก็เกิดวิญญาณคือความรู้เห็นรูปที่เรียกกันว่าเห็น เห็นนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นความรู้เห็นรูปอันมันเกิดขึ้นในเมื่ออาณาจักรภายในภายนอกคู่นี้คือตากับรูปมาประยุกกันจึงเห็นรูปก็เป็นความรู้เห็นนั่นเองอันเรียกว่าจากักขุวิญญาณทุกๆคนนั้น เมื่อลืมตาขึ้นก็ย่อมจะประจวบกับรูปอันอยู่ในคลองจักสุร้อยแปดเป็นประจำแต่ว่าสักแต่ว่ามาประจวบแล้วก็เห็น อันเป็นจะขู่วิญญาณแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปเป็นสิ่งที่ไม่สะกิดถึงใจอย่างแรงลักษณะดังกล่าวนี้ทุกคนย่อมมีอยู่เป็นอันมากเพราะเมื่อลืมตาขึ้น ก็เห็นพระรูปที่มาประจบในคลองของจักสูนั้นมากมายหลายสิบหลายร้อยแต่ว่าเมื่อไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องสกิดที่แรงก็ผ่านไปผ่านไปดังกล่าวมานั้นก็ไม่เกิดเวทนาอะไรแต่เมื่อ เป็นพิเศษขึ้นมาเป็นเครื่องสะกิดใจก็คือว่าอายตนะภายในคือตาภายนอกคือรูปกับจากสุวิญญาณทั้งสามนี้มาประจวบกันเข้าอีกยังไม่ยอมปล่อยไป ก็เป็นสัมผัสกระทบถึงใจดังนี้แหละจึงจะเกิดเวทนาขึ้นมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทางกายบ้างทางใจบ้างส่วนมากนั่นเป็นไปทางใจ มีอยู่ข้อเดียวที่เป็นไปทางกายก็คือข้อที่ห้าอายตนะที่ห้าอันได้กับกายและผลทธพภะเมื่อกายและผลทธภะมาประจบกันก็เกิดกายวิญญาณ และเมื่อทั้งสามนี้มาประชุมกันเข้าอีกก็เป็นสัมผัสเมื่อเป็นสัมผัสจึงให้เกิดเวทนาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือเป็นกลางกลางบ้างทางกายมีข้อเดียวนี้ที่เป็นไปทางกาย แต่ว่าข้อนอกจากนี้เป็นไปทางใจเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขไปทางใจนี้จึงมีเป็นประจําอยู่เสมอแก่ทุกทุกคน เพราะฉะนั้นตอนที่ตรัสสอนตอนแรกให้ทาสตริกำหนดรู้เวทนาก็ให้รู้จักเวทนาที่เป็นตัวเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่กล่าวมานี้ และพึงทําความเข้าใจได้อีกอย่างหนึ่งว่าอันเวทนาดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นไปตามธรรมดาของขันคือของเวทนาขัน ที่ทุกคนจะต้องมีทางนั้นไม่ว่าจะเป็นบุทุชนสามัญญชนไม่ว่าจะเป็นอริยชนและสำหรับที่เป็นอริยชนนั้น เวทนาที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้ก็ยม่อมีอยู่เว้นไว้แต่เป็นสมเมื่อตัดกิเลสได้แล้วข้อที่เป็นสามมิตรก็ไม่มีแต่ข้อที่เป็นนิรามิตร ก็ยังมีอยู่แต่จะว่าถึงในตอนแรกนี่ก่อนว่าเมื่อเวทนาเป็นสิ่งที่พึงบังเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามธรรมดาดังนี้และมีอยู่ด้วยกันทุกคนดังนี้จึงเป็นเวทนาที่เป็น ธรรมชาติธรรมดาเหมือนอย่างว่าเมื่อถูกไฟหรืออยู่ใกล้ไฟก็ร้อนนี่ก็เป็นทุกขเวทนาไม่ว่าใครเมื่ออยู่ใกล้ไฟหรือถูกไฟก็ต้องร้อนทางนั้นหรือว่า เมื่อลมพัดมาหรืออยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นสบายกดสบายก็เป็นสุขเวทนาในยกตัวอย่างทางกายไม่ว่าใครก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในตอนแรกนี้ ยังได้ตรัสสอนให้กำหนดให้รู้จักเวทนาและก็กล่าวถึงเวทนาที่เป็นไปทั่วทั่วไปอันเป็นธรรมชาติธรรมดาดังนี้ก่อนซึ่งทุกๆจะเป็นบุตรชนหรือเป็นอริยบุคคลก็จะต้องมีดังที่กล่าวมาแล้วคราวนี้สำหรับ ที่เป็นสามั ญ, ญชนหรือที่เป็นบุถุชนนั่นยังมีกิเลสเป็นต้นว่ามีตัณหาความลิ้นรลนทยานอยากมีราคะมีโทสะมีโมหะฉะนั้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอก ประจบกันเกิดวิญญาณคือความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วอิเลสในจิตใจก็เข้าผสมกล่าวคือเมื่อ ทั้งสามนี้มาประชุมกันเป็นสัมผัสกระทบถึงใจกิเลสที่ตั้งอยู่ในใจเป็นอาสวะเป็นอนุสัยก็พลอยถูกกระทบไปด้วยเมื่อถูกกระทบไปด้วยกิเลดจึงฟุ้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นจึงบังเกิดราคะความติดในสุขเวทนาเกิดปฏิฆะความกระทบกระทั่งในทุกขเวทนา เกิดโมหะคือความหลงเพราะไม่รู้ในเวทนาที่เป็นกลางๆางไม่ทุกข์ไม่สุขราคะโทสะโมหะจึงได้ปนเข้าไปในตัวเวทนาเมื่อเป็นดังนี้ เวทนานั้นจึงกลายเป็นสามิทธเวทนาที่มีอามิทธที่แปลกันว่ามีกิเลสเป็นเครื่องล่อบังหรือโดยความก็คือมีกิเลสมาเคลือบแฝงมาเจือปนยกโดยอย่างเช่น เมื่อตากับรูปประจวบกันรูปนั้นเป็นรูปที่น่ารักใครปรารถนาพอใจเช่นเป็นรูปที่สวยงาม <c oughs> ก็เกิดวิญญาณคือเห็นรูป <c oughs> เมื่อไปเห็นรูปที่สวยงามเข้า ที่นารักใคร่ปรารถนาพอใจเขา้าทั้งสามนี้เมื่อมาประชุมกันเป็นสัมผัสกระทบถึงใจราคาุสใสที่นอนเนื่องอยู่ในใจก็ฟุ้งขึ้นฟุ้งขึ้มารักสวยงามนั้นก็บังเกิดสุขเวทนาเป็นความสุข ความสบายความเพลิดเพลินดีในรูปที่สวยงามอันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเพราะมีราคะปนเข้าไปอยู่เรานี้จะหากว่าเมื่อตากับรูปประจบกันรูปที่มาประจบนั้นเป็นรูปที่ น่าเกลียดน่ากลัวหรือเป็นรูปที่ไม่ชอบเช่นเป็นคนที่เป็นศัตรูกันเกลียดกันไม่ชอบกันดังนี้เมื่อมาประตากับรูปเช่นนี้มาประจบกันก็เกิดวิญญาณคือรู้เห็นเห็นขึ้น เป็นจะขู่วิญญาณทั้งสามนี้เป็นสัมผัสกระทบถึงใจปฏิคานุสัยที่นอนนื่องอยู่ในใจก็ฟุ้งขึ้นมาจึงได้เกิดทุกขเวทนาคือว่าเห็นแล้วไม่สบายหุดงิดรารอน เพราะว่ามีปฏิฆะมีโทสะเจือเข้ามากรนีถ้าหากว่าตากับรูปที่มาประจบกันนั้นรูปที่ตาเห็นเป็นกลางๆไม่พอที่จะให้ชอบไม่พอที่จะให้ชังจึงเกิดการเห็นและเมื่อเกิดการประชุมเป็นสัมผัสกระทบสนใจขึ้น โตโมหะคือความหลงก็ปรากฏขึ้นปนอยู่เป็นเวทนาที่เป็นกลางๆที่ประกอบด้วยโมหะคือความหลงเพราะไม่ได้พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นสำหรับสามั ญ, ญชนหรือบุตรชนทั้งหลายที่ยังมีกิเลสจึงมีเวทนาที่มีอามิรคือมีกิเลสเจอือมีกิเลสผสมหรือมีกิเลสเป็นเครื่องล่อ ดังนี้อยู่เป็นอันมากจึงได้ตรัสถึงในตอนที่สองมาถึงตอนที่สามเมื่อมาปฏิบัติธรรมะเจนปฏิบัติในศีลได้ปีติสุขโสมนัสในศีล ดังนี้ก็เป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรคือไม่มีกิเลตมาเจือปนแต่ว่าบังเกิดขึ้นจากศีลเมื่อได้ศรัทธาในพระพุท ธ, ธาธิรัตนตรยัยมีความสุขมีปิติ ก็เป็นสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเช่นเดียวกันหรือปฏิบัติในศีลนั่นแหละก็ต้องงดเว้นจากข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเช่นต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลก็หิวขึ้นมาเป็นทุกข์ ทุกข์ดังนี้ก็เป็นทุกข์ที่ไม่มีอเมรเป็นเครื่องล่อยเหมือนกันเพราะว่าเกิดจากการปฏิบัติในเีน